เธอมาที่นี่กลิ่นกายของเธอเหม็นที่สุดเลยแต่มาคราวนี้มีเหตุอะไรกลิ่นกายของเธอจึงหอมเหมือนกลิ่นจันทร์ส่วนกลิ่นปลาก็หอมเหมือนกลิ่นดอกบัวนะบุตรเศรษฐีก็ถามขึ้นด้วยความสนเท่นะไม่รู้เหตุนี่ทำไมเปลี่ยนไปเยอะแต่ก่อนเนี่เหมือนส่วมมานะเดี๋ยวนี้เนี่เหมือนกับร้านเครื่องขายน้ำหอมมาเนี่ยมันเปลี่ยนไป ทิดาเศรษฐีก็เล่าถึงการไปกระทาบุญสร้างพระเจดีย์แล้วได้ตั้งความปรารถนาอธิษฐานไว้ว่าขอให้มีกลิ่นกายและปากหอมให้ฟังโดยตลอดลบุตรเศรษฐีก็เกิดความเลื่อมใสและความเชื่อมั่นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นปูชนียบุคคลพระธรรมเป็นปูชนียศาสนะคือ คำสอนอันควรบูชาพระสงฆ์ก็เป็นมูบุคคลผู้ควรบูชาอันสูงสุดเกิดความเชื่อเลยเพราะว่าเขาไปจักแจ้งแก่ชีวิตของเขาเลยมีมีนางเป็นพยานให้เมื่อเป็นเช่นนี้บุตรเศรษฐีก็จึงสละสิ่งของที่มีค่าออกกระทาบุญบูชาพระเจดีย์นั้นคือคลุมพระเจดีย์ทองที่สูงด้วยหนึ่งโยดด้วยผ้ากาพล เอาผ้าที่มีราคาแพงเนี่ยไปห่มพระเจดีย์แล้วประดับด้วยดอกไม้ทองคำมีขนาดโตเท่ากงเกวียนไว้ที่พระเจดีย์นั้นผ้ากํมพลเหล่านั้นได้ห้อยอ ย, อย้อยลงมาลามลงมานะถึงสิบสองอกโดยรอบพระเจดีย์รอบพระเจดีย์ก็ใหญ่มากก็ต้องใช้ผ้ามาก บุตรเศรษฐีและที่ดาเศรษฐีเมื่อตายจากชาตินั้นแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์เนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุให้คนที่มีความรู้เขาก็สร้างพระเจดีย์แล้วทำให้เป็นทองหรืออย่างน้อยก็ชาบด้วยทองแล้วก็บูชาด้วยผ้านะรอบพระเจดีย์เราก็คงจะพอเห็นได้แล้วก็อาจจะลดน้อยไปเรื่อยนะเพราะว่า เขาเชื่อเรื่องอย่างนี้นะเรื่องที่พระปะพระมหากัสสปะและนางพัฒกาบิลานีบำเพ็ญบุญบา ร, รมีไว้ในพระเจดีย์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเมื่อพระมหากัสสปะเทระได้กล่าวอปทานอปท า, านคือบุญที่ท่านทําไว้ก่อนเป็นคาถาท่านก็กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้หรือในเทระคาถาท่านก็กล่าวเอาไว้ ว่าคุณของผู้เดเจ้านะ่สมควรแก่การบูชาอย่างยิ่งนะั้นนะอย่างไรนะที่ท่านได้กล่าวเป็นคาถาเอาไว้ในในมหากัสปะเทระคาถานะคือคาถานี้ท่านรวบรวมไว้หมดเลยว่าท่านได้สอนใครอะไรต่างๆแล้วมาสรุปลงเป็นคาถาบทสุดท้าย ท่านได้สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าว่าพระสมณโคดมผู้ทรงพระคุณหาประมาณไม่ได้คือจะกาหนดว่ามีเท่านี้เท่านี้นะใครกาหนดไม่ได้หรอกหาปริมาณจานวนเนี่ยไม่ได้มีพระไทยน้อมไปในเนกข ม, มะเนคข ม, มะนี่คือการสิ้นกามนะสิ้นตัณหาเนี่ยทรงสลัดพบทั้งสามออกได้แล้วพบทั้งสาคือ กามาพบรูปพบอรูปประพบพบเนี่ยก็คือเกิดน่ที่เกิดเราเนี่ยยังไม่พ้นสักพบเดียวเลยอย่าว่าแต่สามพบเลยพบเดียวเรายังไม่พ้นเลยคือการต้องเกิดอยู่ในการมาพบเนี่ยเพราะเรายังไม่สิ้นการมาตัณหาของพระพุทธเจ้าเนี่ยสิ้นหมดแล้วการมาตัณหารูปประตัณหา อารูปปัญหาเนี่ยสิ้นหมดเพราะว่าตัญหาเนี่ยมันเป็นเหตุให้ได้พบมาไอ้พบนี่ก็คือการเกิดแล้วก็อยู่อยู่อย่างเช่นเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่เป็นมนุษย์แล้วมันได้อะไรอะ่ะมันถูกสาปมาแล้วว่าเราได้แต่ความทุกข์เท่านั้นไอ้ขันห้าที่มาสมมุติกันว่าเป็นตัวเราเนอะมันเป็นเจ้าของทุกข์นะมันเป็นที่อุดมด้วยความทุกข์ ไม่ได้มีความฉุกรอกความทุกข์อะไรก็คือความแก่ความตายแล้วยังมีความเศร้าโศกเสียใจหรือกรรมชั่วที่ทำแล้วผลกรรมชั่วก็เบียดเบียนก็มีอีกมากมายดังเช่นนางทิดาเศรษฐีเนี่ยเห็นไหมแล้วว่านอกจากจะ มีความแก่ตายแล้วก็ยังมีความทุกข์เพราะเกิดจากวิบากกรรมคือตัวเหม็นไปหมดเนี่ยเราเนี่ยจะหนีไม่พ้นเลยถ้าไม่เห็นโทษนะไม่เห็นโทษของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นอะไรก็แล้วแต่หรือไม่เห็นโทษของตัณหาที่เป็นเหตุนําให้เกิดไอ้โทษเหล่าเนี้ยเนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกกันไม่ค่อยกลัว เราไปกลัวเราไม่ได้เกิดนะกลัวไม่ได้เกิดกลัวไม่ได้กินข้าวกลัวไม่ได้ดูหนังดูเปาบุญจินแล้วไปกลัวแบบนั้นนะไม่น่ากลัวของแบบนั้นอนะความทุกข์ที่มันน่ากลัวความทุกข์เพราะอะไรอะความทุกข์ก็เพราะว่าการที่จะต้องถูกเบียดเบียนนะด้วยด้วยความทุกข์ของขันห้าที่ได้มานั่นแหละทุกรูปแบบ ือสิ่งที่เราได้มาในชีวิตเนี่ยที่จะเป็นความสุขมไม่มีจำมาไว้เถอะแต่เรามันคงจะไม่ยอมเชื่อไม่มีหรอกที่จะได้อะไรมาแล้วเป็นความทุกข์ในขันห้าอขอเป็นความสุขในขันห้านะพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีเพราะนั้นท่านจึงยืนยันเลยว่าอุปาทานขันห้านี่ยเป็นทุกข์ไม่มีสุขเราถูกสาปถูกแช่งมาแล้วว่า เกิดในชาติใดพบใดก็ขอให้มีแต่ความทุกข์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆใครเราแช่งเราก็ไอ้ตัณหาเนี่ยมันแช่งเราเพราะมันเป็นเหตุให้เราได้พบต่างๆมันแช่งเรานะแต่เราไม่รู้หรอกเพราะมันเป็นอะไรตัณหามันเป็นธรรมชาติที่สร้างทุกข์ให้นำทุกข์ให้ให้ใครให้ขันห้าขันห้าก็มาใชของเราอ่ะแต่เมื่อไปเห็นผิดว่าเป็นของเรามันก็เป็นทุกข์เราไปด้วยนะ แล้วก็ไม่สามารถจะพ้นไปได้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพ้นไปหมดแล้วทรงสลัดภพทั้งสามออกได้แล้วย่อมไม่ทรงติดอยู่ด้วยจีวรบินทบาทและเสนาสนะไม่ติดอยู่ด้วยความยินดีนะเปรียบเหมือนบัวไม่ติดอยู่ด้วยน้ำฉะนั้นคือเอาน้ำไปใส่ดอกบัวเนี่ยไม่ติดหรอกฉะนั้นอขออภยัยพระองค์ทรงเป็นจอมนักปราดคือเป็นยอดของนักปราด ในสมัยนี้เนี่ยเห็นมียกย่องนักปราศกันเยอะแยะนะมันปราศอะไรนะมันปราศอะไรรู้อริยสัจอะไรมีคุณธรรมอะไรนะไปอวดว่าเป็นนักปราศพูดอะไรบา้บาๆบอๆคนฟังไม่รู้เรื่องก็ว่าเป็นนักปราศแล้วไม่มีนะนักปราศนอกจากพระรหัส น, นะน่ะรหัสยิงจริงนะไม่ใช่รหัสเกะนะปราศนี่คือเขามีปัญญาอันยอดที่จะชนะกิเลสได้ รู้ความจริงได้เพราะอกิเลสมันไม่รู้ความจริงอในวัาโลคโกรธหลงเนะี่ยมันไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มันไปโลคไปโกรธไปหลงแนละ้วมันไม่รู้ทั้งนั้นนะแต่ปัญญาเนี่ยเขารู้เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ละกิเลสได้จริงๆอย่าไปอวดเป็นนักปราศและอย่าไปเชื่อว่าใครเป็นนักปราศส่วนมากแล้วก็มักจะไปเสียท่าพวกนักปราศไม่ใช่นักปราศอันนักปราศมันชอบหลอกคนหรือนักปาดก็ปลาดเอาไว้ ปัญญาของเราให้หมดไปครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเป็นจอมนักปราดจริงๆแล้วนะทำไมที่มีคุณธรรมอันยิ่งเนี่ยมีสติปัฏฐานเป็นพระโสสตินะที่แผ่หรือไปตั้งมั่นอยู่ในอารมณนะ์คือกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็รู้ลักษณะของอารมณ์นั้นตามความเป็นจริงนะว่า กายเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะถาดติด น, น้ํามลมไฟที่ประชุมเป็นกายมีลักษณะอย่างไรกายเนี่ยมันไม่มีลักษณะเหมือนกับเวทนาไม่เหมือนกับจิต SA นะไม่เหมือนกับธรรมกายมีลักษณะ <misschien> คิดอะไรไม่ได้ถาดดินน้ํามลมไฟเนี่ยคิดไม่เป็นรู้อะไรไม่ได้นะส่วนในเวทนาเนี่ยรู้รู้รู้แบบเวทนาคือว่ากินอารมณ์ จิตก็เหมือนกันรู้อารมณ์ไม่กินอารมณ์นะรู้อารมณ์ลักษณะก็ไม่เหมือนกันส่วนธรรมเนี่ยธรรมานุปัสนาธรรมานุปัสนารวบเอาหมดเลยทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตและสังขารสัญญาอะไรรวบหมดอะรวบหมดในพระพุทธเจ้ามีสติปัฏฐานเป็นเหมือนพระสอพระโอคือลำคอนะมีศรัทธาเป็นเหมือนพระหัตพระหัตก็มือ มือเนี่ยเราใช้มากนะจะใช้หยิบอะไรอะไรทําอะไรต่างๆมีปัญญาเป็นพระเศียร น, นะพระเศียรก็สูงใช่ไหมศีรษะพระศอเนี่ยพระลำคอเนี่ยเป็นที่ตั้งของพระเศียรสติปัฏฐานนะเป็นที่ตั้งของปัญญาคือปัญญาจะเกิดก็ต้องอาศัยสติปัฏฐานมีพระปรีชาก็คือปัญญามากทรงดับเสียแล้วซึ่งกิเลสและกองทุกตลอดการทุกเมื่อเนี่ยพระมหากคสปะ ท่านทานงรงคารวพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งก็ทรงสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริงนะอย่างเนี้ยเราเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีศรัทธานีศรัทธานี่นก็รวยแล้วนะสบายแล้วมีศรัทธาเป็นมือเนี่ยมือเนี่ยจะหยิบอะไรมาได้ทั้งนั้นนะ่ะเพราะนั้นบุคคลมีศรัทธาเชื่อในกรรมดีในผลของกรรมดีอย่างนี้เป็นต้นนะ ก็คือเชื่อเรื่องกรรมชั่วด้วยผลกรรมชั่วด้วยนั่นแหละเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องกรรมดีและทรงทำกรรมดีไว้สุขไว้บริบูรณ์แล้วอย่างเนี้ยแล้วทำไปเถอะศรัทธานี่จะนำอะไรมาได้ทุกอย่างเลยนำนำประโยชน์นำสมบัตินำความสุขมาให้แล้วได้ทุกอย่างหมดไม่มีอะไรที่ศรัทธานำให้เราไม่ได้นะแต่แม้ค ว, มว่าใช้ศรัทธาแล้วไปทากรรมดีนะ ใช้ศรัทธาแล้วก็ไปรักษาศีลไปให้ทานไปเจริญภาวนาไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยกว่าบุญทั้งหลายบารมีทั้งหลายที่พุทธเจ้าทรงแสดงแล้วทำด้วยอํานาจศรัทธาคือเชื่อว่ามันมีผลไม่มีอะไรที่จะมีผลแท้จริงเท่ากับบุญที่เราทําตามคําสอนพุทธเจ้าแล้วเราจะได้จริงๆเพราะฉะนั้นเรามีศรัทธาแล้วเราไม่มีจนพพุทธเจ้าบอกไม่มียากจน คนมีศรัทธาแล้วเนี่ยจะทำกรรมดีแล้วกรรมดีก็จะให้ผลเขาคือเป็นผู้ร่ำรวยด้วยพกข้ัพย์เป็นต้นเพราะนั้นศรัทธาจึงเปรียบเหมือนมือที่จะไปหยิบจับนาเอาสิ่งของมาใช้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตได้เราไม่มีมือนี่ถ้าจะแย่มันกันนะแต่มีมือแล้วเนี่ยมือก็ช่วยเราเราได้หมดเหมือนกันมีศรัทธาแล้วก็ไม่ต้องเสียใจ ท่านทั้งหลายเกิดมาชาตินี้แล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยก็ไม่ต้องเสียใจนะไม่มีใครมาเลือกตั้งเราเป็นสสกไม่ต้องเสียใจมีศรัทธาสักอย่างเนี่ยเนี่ยดีใจได้เลยได้อะไรหมดแล้วศรัทธาเขาจะช่วยเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในชาตินี้นะช่วยกันได้ได้ทุกชาติเรามีศรัทธาเมื่อไหร่ก็ช่วยกันไปได้จนถึงพระนิพพานต้องอาศัยศรัทธา เพราะฉะนั้นก็นี่เป็นคำสารเสริญของพระมาหากัสปะเถระที่ได้อาศัยพระพุทธเจ้าบูชามาหลายหลายพระองค์ทีเดียวทีนี้ต่อไปบุตรเศรษฐีและธิดาเศรษฐีเมื่อตายจากชาตินี้แล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ขั้นตายจากสวรรค์บุตรเศรษฐีมาเกิดอีกในจั ก, กูลอมัดซึ่งอยู่ไกลจากกรุงพราณีประมาณหนึ่งโยชน ฝ่ายที่ดาเศรษฐีตายจากสวรรค์มาเกิดเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ของพระเจ้าพารานสีในเมืองพารานสีคือเขามาบำเพ็ญบารมีต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยดีบารมีทำได้มากนะเพราะว่ามีเรื่องนะที่เราจะได้เห็นความทุกข์ความน่าสังเวชอะไรเนี่ยเยอะในโลกมนุษย์เนี่ยนะมันมัน มันมีทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วคนชั่วมากมากก็มีคนดีมากมากก็มีความทุกข์มากมากก็มีอยู่นะความดีมากมากก็ได้เห็นอยู่เพราะนั้นจะได้มา บ, เบาเพ็ญบารมีกันได้ <S <S เมื่อคนทั้งสองนะั้นเติบโตแล้วก็ได้ข่าวการเล่นนักขับตระเกทราบไปถึงบ้านของกูมานผู้เป็นบุตรของอํามาดกูมานจึงบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ครับขอผ้านุ่งผ้าห่มให้แก่กระผมด้วยเถิดกระผมจะไปเล่น นักขัดตะเลิกคือไปเที่ยวงานนะนะตอนนี้มีงานฉลอง50ปีคลองลาดในหลวงนะนะที่สนามหลวงเนี่ยก็แบบนั้นนะงานใหญ่ๆแบบนั้นนะ่ะมารดาก็นำเอาผ้า ผ, าผืนใหม่ที่สุดที่มีออกมาให้หนึ่งผืนลูกชายก็ไม่รับเพราะเห็นว่าเป็นผ้าเนื้อหยาบมารดาไปเอาผ้ามาใหม่ก็ไม่รับอีกบอกว่ามันหยาบไป มารดาเห็นลูกชายไม่ยอมรับผ้าจึงพูดปลอบลูกนะธรรมดาแม่ก็ไม่ต้องการให้ลูกเสียใจว่าลูกเ อ, อ๋ยเราเกิดในตระกูลที่มีฐานะเพียงแค่นี้บุญที่เราจะได้ผ้านเนื้อละเอียดกว่านี้ไม่มีแล้วลูกเขาพูดกันแต่เรื่องบุญเรื่องบาปนะแต่ถ้าสมัยนี้เราบอกเอ้บ้านเราจนเนี่ยเพราะรัฐบาลไม่ดีนะต้องเปลี่ยนรัฐบาลมันเป็นอย่างนั้นไปต่ออีก แต่รัฐบาลจะมาอ้างว่าเพราะคุณไม่มีบุญไม่ได้นะเพราไม่ได้เหมือนกันนะมันต้องช่วยกันนะะคนมีบุญมากก็ต้องช่วยคนมีบุญน้อยหน่อยสิแต่ของเราเนี่ยจะเผื่อว่าเราได้อะไรมาแล้วเนี่ยเราคิดไม่เป็นเนี่ยเราจะต้องไม่สบายใจว่าเอ๊ะเราเนี่ยมันได้ของไม่ค่อยดีสู้ของคนอื่นไม่ได้แต่ถ้าเราคิดเป็นก็บุญแล้วมาได้เท่านี้นะ แต่ถ้าเราฉลาดไม่ได้หวงห้ามนี่เราจะเพิ่มบุญของเราให้มันได้ของดีกว่านี้อเพราะฉะนั้นลูกชายจึงตอบชี้แจงให้คุณแม่ทราบว่าคุณแม่ครับถ้าอย่างนั้นผมจะไปเที่ยวแสวงหาผ้านเนื้อดีๆในสถานที่ต่างๆให้ได้ขอรับเอาบ้านไม่มีก็ไปหาที่อื่นฝ่ายมารดาจึงพูดว่าลูกเ อ, อ๋ยแท้จริงแม่อยากจะให้ลูกได้ราดจะสมบัติในกรุงพระยสีเสียในวันนี้ด้วยซ้ำ คืออะไรที่ลูกอยากได้เนี่ยแม่พ่ออยากจะให้ลูกได้ทันทีเลยโดยเฉพาะไอ้ของดีๆเนี่ยรา จ, จะสบัตเนี่ยก็เป็นของดีใช่ไคือที่บุญมันยังไม่มีอ่ะมันก็ยังไม่ได้ลูกชายก็ตอบว่าคุณแม่ครับถ้าจะนั้นผมจะลาแม่ลาคุณแม่ไปก่อนกุมาร น, นี้ก็ยกมือไหว้พร้อมกับกล่าวลามาดาให้ไปก็ด้วยคิดว่าลูกของเราจะไปไหนได้นะ ลูกเศรษฐีเหมือนกันนะไม่ช่จนมากหรอกอย่างนี้ก็ไปเที่ยวที่บ้านโน้นบ้านนี้เดี๋ยวก็กลับมาเองแหละเขาคิดไปอย่างนั้นนะฝ่ายกุมาร น, นั้นออกจากบ้านก็เดินทางมาเลื่อยถึงกรุงพาราณสีด้วยอำนาจบุญนะก็ทำให้เกิดง่วงนอนไปนอนคลุมศีรษะอยู่บนแท่นมงคลศิลาในพระราชอุทยานคือพระราชาทุกพระองค์เนี่ยเขาจะมีอุทยานเอาไว้สาหรับ พักผ่อนชมสวนหรือว่าล่าสัตว์อะไรก็แล้วแต่หรือบางทีก็ไออกว้ออกบวชออกบวชด้วยจะต้องมีเลยแม้ในสมัยนี้ก็เหมือนกันนะวันนั้นเป็นวันครบเจ็ดวันพอดีที่พระเจ้าคุ้งพระนาศีสวรรคตก็ไม่มีกษัตริย์สืบต่อแล้วพวกอมาตะช่วยกันถวายพระเพลิงพระศพแล้วก็ไปไประชุมปรึกษากันว่าพระราชามีแต่พระราชนัดดาพระองค์เดียวไม่มีพระราชโอรส ราชสมบัติที่ไม่มีพระราชาปกครองไม่สมควรจะได้ใครมาเป็นพระราชาของเราปุโรหิตก็กล่าวขึ้นในที่ประชุมว่าการที่จะไม่เลือกดูคุณสมบัติและบุญญาธิการของผู้ที่จะมาเสวยราชให้มากย่อมเป็นการไลเหตุผลพวกเราควรกระทาพิธีบวงสรวงเทวดาแล้วปล่อยราชรถออกค้นหาผู้จะมาเป็นพระราชา นี่เป็นวิธีของเขาแหละต้องหาผู้มีบุญมาให้ได้คนไม่มีบุญเนี่ยขืนเอาไปเป็นพระราชรราชาเนี่ยตกบลาลังตายนะเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่มีบุญนะไปเสวยบุญของคนอื่นก็ไม่ได้หรอกต้องเอาเอาบุญมาต้องหมายว่าคนมีบุญเพียงพอที่จะได้เสวยผลวิบากของบุญอันนั้น พวกอามตาะเห็นพ้องต้องกันเป็นเอกฉันจึงนำอามาสินทบสีมามีสีขาวดังบัวขาวมาเทียมบุษยราชชรจัดเครื่องเบญจราชกะกุธพันคือของที่เป็นสัญลักษณ์ของพระราชาคือพระมหาพิชัยมงกุฎหนึ่งพระแสงขันชัยสีหนึ่งทานพระกรไม้เท้าหนึ่งวารวิชนี พัดกับแท่จามารีหนึ่งฉลองพระบาทและสเสวาตาชตดขึ้นวางในบุตรยะราชรถและปล่อยออกไปให้พวกราชบุบรุษถือเครื่องดนตรีตามไปข้างหลังทำไมก่อนเ็าทำอย่างนั้นสมัยนี้ไม่เห็นมีใครทำนะยังไม่เห็นบ้านไหนเมืองไหนทำ <c oughs> แต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆก็คงจะต้องเอาแบบนั้นนั่นแหละบุตรสบกราชรถนี่ก็ออกจากประตูเมืองทิศตะวันออก ไปทางพระราชอุทยานเลยด้วยบุญบันดาล น, นะบุญบังคับแล้วอามาท์ทั้งหลายกล่าวว่ารถนั้นถูกมา้าพาใบาหน้าไปทางพระราชอุทยานตามที่เคยมาเพราะว่าเคยมาแล้วนี่พระราชาองค์ก่อนเคยสเสด็จมาให้กลับรถไปเสียใหม่เถอะปุโรหิตค้านว่าอย่ากลับรถปล่อยไปนะมันจะไปไหนก็ไปนะทุกคนในที่นั้นก็เชื่อฟังคาปุโรหิต บุตรสยาราชรถมาถึงพระแท่นมงคลศิลาที่กุมาร น, นั่นนอนอยู่ได้แล่นกระทาประทักษิณสามรอบแล้วไปหยุดอยู่ที่ใกล้พระแท่นมงคลศิลานั้นปุโรหิตเห็นคนนอนคลุมผ้าอยู่จึงเลิกผ้าคลุมเท้าออกดูพิจารณาดูพื้นเท้าแล้วดูเท้าดูลายเท้าเขาไม่ดูลายมือลายมือนี่ไม่แน่ยังไม่แน่ลายเท้านี่แนกว่า แต่ลายเท้าคนเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกลายเท้าเราลองดูก็ได้เท้าซ้ายเท้าขวาเราไม่เหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันน่ะกำรร ม, มันไม่เหมือนกันนะก ร, ร ม, มันทำให้ลายมือลายเท้าคนเนี่ยไม่เหมือนกันมันกรรมใครก ร, ร ม, มันเนี่ยบุญบาปของใครของของคนนั้นเพระาะว่าสีละร่างกายของเราเนี่ยเกิดขึ้น้วยอนานาจบุญและบาปเพราะฉะนั้น พิจารณาดูพื้นเท้าแล้วก็บอกว่าดูก่อนท่านทั้งหลายอย่า ก, กล่าวถึงทวีปเดียวเลยผู้นี้มีความสามารถเป็นพระราชาในทวีปทั้งสี่มีทวีปน้อยสองพันเป็นบริวารได้พวกท่านทั้งหลายจงให้นักดนตรีประโคมดนตรีขึ้นเถิดแล้วก็ประโคมดนตรีขึ้นสามครั้งคือบุญเนี่ยมากปุโรหิตเนี่ยมีปัญญารู้ลักษณะของบุรุษนะของมหาบุรุษก็รู้เลยว่า คนนี้ล่ะอย่าว่าแต่เมืองพราณาศีนี่เลยทวีปทั้งสี่ยังได้กูมานนั้นได้ยินดนตรีเสียงดังขึ้นก็เปิดผ้าคลุมหน้าออกดูก็ไม่ได้แสดงอาการสะดุ้งกลัวเลยถามว่าพวกท่านพากันมาที่นี่เพื่อเหตุอะไรปุโรหิตบอกว่าข้าแต่เทพเจ้าล่าจะสมบัติมาถึงแก่พระองค์แล้วพระราชาพวกท่านไปไหนเสียละสวรรคตรแล้วพระเจ้าค่ะ วันละคดได้กี่วันแล้วได้เจ็ดวันพอดีพระราชโอรสพระราชธิดาของพระราชาไม่มีหรือมีแต่พระราชธิดาไม่มีพระราชโอรสพระเจ้าข้าดูก่อนท่านทั้งหลายถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะรับเป็นพระราชาอยู่ในเมืองนี้ข็าต้องถามซะก่อนนะว่ามาเรื่องอะไรพอรู้ว่าเขาจะมาให้เป็นก็ตกลงผู้อมาราราชโปรหิต ตั้งประลำโลงพิธีขึ้นอภิเษกในคราวนั้นแล้วแต่งงตตั้้แลวกแต่งพระราชจิตรดาด้วยเครื่องอลังการต่างๆอันเชิญเสด็จมาที่พระราชจุริยานเพื่อกระทําอภิเษกสมรสกับกุมาร น, นั้นในครั้งนั้นพวกอํามาร์ก็น้อมผ้ามีราค า, 100, าหนึ่ง0สนถวายแด่พระราชาผู้ได้รับอภิเษกแล้วอภิเษกนรถน้ําแล้วคือแม้ความว่าคนทั้งหลายยอมรับแล้วเนะี่ยตั้งขึ้นแล้วนะ ดูก่อนท่านทั้งหลายนี่ผ้าอะไรพระราชาถามนี่พระภูษาภูษาทรงคือผ้านุ่งพระเจ้าค่าผ้านี้เนื้อหยาบไม่ใช่หรือผ้าเนื้อละเอียดกว่านี้ไม่มีหรืออย่างไรขอเดชะบรรดาผ้าที่มนุษย์จะใช้นุ่งหม่มจะเนื้อละเอียดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพระเจ้าค่าก็ของพระราชาแล้วก็ต้องของดีที่สุด พระราชาถามหาความจริงว่าพระราชาของพวกท่านนุ่งผ้านุ่งห่มผ้าเช่นนี้ใช่ไหมถูกแล้วพระเจ้าข้าพระราชาของพวกข้าพระองค์ทรงนุ่งห่มผ้าเช่นนี้พระเจ้าข้าพระราชาของพวกท่านเห็นจะเป็นผู้มีบุญบารมีน้อยขอพวกท่านจงนําเต้าน้ําทองคํามาให้แก่ข้าพรเจ้าข้าพระเจ้าจะกระทําให้เกิดผ้าขึ้นในบัดนี้แสดงว่าพระราชาเนี่ยรู้ว่าตัวเองมีบุญอยู่นะ ไม่ต้องไปใช้ละผ้านั่นนะเดี๋ยวจะใช้ผ้าโดยบุญของตัวเองผู้อมมาจึงนำน้ำเต้าน้ำทองคำไปถวายตามประสงค์พระราชาเสด็จลุกขึ้นล้างพระหัตถ์บ้วนพระโอษฐ์แล้วทรงใช้พระหัตถ์ขวาสาดน้ำในพระเต้าทองไปทางทิศ ต, ตะวันออกในทันใดนั้นต้นกลรลปบพึกงแปดต้นต้นกะระปบพึ่งนี่มันเกิดในสวรรค์นนะ แต่นี่มาเกิดบนดินบนบนโลกนี้ซะแล้วผุดขึ้นมาจากพื้นดินและพระราชาทรงศาสน้ำไปทางทิศ ท, ที่เหลือคือทิศใต้ตะวันตกทิศเหนือต้นกระาพุกคือต้นไม้ในสวรรค์ก็เกิดขึ้นทิศละแปดต้นรวมสี่ทิศก็มีสามสิบสองต้นคือต้ น, นเนี้ยเนี่ยอยากได้อะไรก็ไปนึกเอามันก็ออกมามันออกมาเลยมันสำเร็จด้วยบุญเราฟังอย่างนี้แล้วก็ เนี่ยใครจะนึกคาดหมายเดาเอาเรื่องเรื่องของบุญเนี่ยไม่ได้นะว่าอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้จริงๆห ร, รอเนี่ยโกหกหรือเปล่าก็คุณลองทำบุญดูบ้างทีแล้วจะรู้ <c oughs> ว่า บ, บุญเนี่ยเขาโกหกหรือไม่โกหกพระราชาทรงเหยียดพระหัตต์ออกไปถือเอาผ้าทิพย์ผ้านี้เป็นผ้าทิเทวดาเขาใช้กันจากต้นกระปบพึกมาทรงนุ่งผืนหนึ่งทรงห่มผืนหนึ่งแล้ว สั่งให้ประกาศทั่วพระราชณาจักรว่าหญิงทั้งหลายที่เคยปั่นได้ปั่นไหมและทอหูกอยู่ในพระราชณาจักรของพระเจ้านันท ร, ราช์อย่าได้ปั่นได้ปั่นไหมอีกต่อไปเอาผ้าที่ต้นกระพะการกระพพึ่งนี้ไปใช้ได้เลยสาบสอต้นนะเลิกนะไม่ต้องห่มไม่ต้องไม่ต้องทํางานทอผ้าเย็บผ้าอะไรไม่ต้องแล้ว แม่น่าจะมาเกิดในเมืองไทยบ้างนะไอโรงงานทอผ้ามันจะได้เจ๊งๆไปแะบ้างเนี่ยนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาทำงานกันเรื่องนี้มีผ้าใช้กันหมดอันนี้ก็แมายความว่ า, วาเมื่ออนุญาตแล้วจริงจะใช้ได้นะถ้าไ่อนุญาตของคนอื่นก็ใช้ไม่ได้เป็นอนว่าให้วิบากบุญนะเกิดผลแก่ผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราเนียได้อะไรมาแล้วมันเป็นผลของบุญนั้น น, นนะอย่าไปหวงไว้ ให้เป็นเป็นบุญต่อไปอีกทำอวิบากที่เป็นบุญนะ่ะให้มันเกิดบุญต่อต่อไปอีกอันนี้หรือให้วิบากบุญของเรานะ่ะให้ได้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่คนอื่นเขาต่ อ, ต, อต่อไปอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่คนฉลาดทั้งหลายเขาทำสมมติว่าเราได้วิบากบุญมีคนเอาผ้ามาให้เราสักผืน ใหญ่ๆเลยแล้วก็สามารถรู้ได้วันนี้เป็นวิบากดีของเราก็ทําวิบากดีนี้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นจริงๆอะแก่ตัวเราน่ะนะคือเอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่นต่อไปอย่างนี้นะพระนามของพระราชาที่ปรากฏว่านันทราชนั้นเป็นพระนามที่ประชาชนชาวพราณสีกราบทูลถวายให้ในตอนที่ได้ความสุขความเพลิดเพลินจากการอาศัยต้น กรารปพฤกเป็นอยู่นั่นเองเพราะว่านันทนะหมายถึงความยินดีความรื่นเริงก็น่าจะสบายอ่นะคือได้อะไรจากต้นกาลประพฤกษทุกอย่างเพราะเราเหมือนอยู่ในสวรรค์ในสวรรค์นเนี่ยเทวดาเขาอยากได้อะไรเขาก็ไปใต้ต้นกาลประพฤกษ์แล้วก็ไปขออมันก็ออกมาแล้วก็เอามาใช้กันเอามาบริโภคกันอย่างสุขสบายไม่ต้องไปทํางานหาเงินอย่างพวกเราเนี่ย พวกเรานี่หาเงินยังจะใช้ไม่ค่อยพอเลยนะแต่เทวดาเขาไม่ต้องมาติดรถรถติดกันอยู่แถวแถวเนี้ยไม่ต้องมีต้นกระปบพึกอยู่ประจำเมื่อการล่วงนานมาวันหนึ่งพระราชเทวีพิจารณาดูสมบัติของพระราชาแล้วก็เกิดก็ทรงแสดงพระกรุณาอาการว่าโอ oh, ท่านผู้มีเดช คือคือเห็นเห็นสมบัติของพระราชาแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาว่าแหมท่านผู้นี้เนี่ยมีเดทมีบุญมากมีอนุภาพมากพระราชาก็ถามว่าอะไรหรือเทวีพระเทวีตอบว่าทูลกระหม่อมมหาสมบัติที่พระองค์ได้ที่พระองค์ได้มาเพราะกระทำความดีไว้ในชาติก่อนโดยทรงเชื่อในพระพุทธโอวาทนะ แต่บัดนี้พระองค์ไม่ได้ทรงบาเพ็ญกุศลที่จะเป็นปัจจัยในอนาคตเลยอ่าพระราชนีเนี่ยเตือนพระราชาซะแล้ว่มามัวดีใจอยู่กับบุญสเสวยบุญอยู่เนี่ยไม่ถูกนะจะต้องทำบุญต่อไปพระราชาจึงบอกว่าดูก่อนเทวีเราจะถวายทานแก่ใครเล่าเพราะว่าไม่มีผู้มีศีล น, นะเนี่ยกลิ่นกลิ่นของผู้มีศีลเนี่ย ยังไม่มาเลยไม่มีศีลมาเลยคือผู้มีศีลเนี่ยยังไม่เห็นเลยพระเทวีก็บอกว่าข้าแต่พระสวามีชมพูทวีปนี้หาว่างจากพระหันทั้งหลายไม่ขอพระองค์ทรงจัดแจงวัตถุฐานที่จะถวายไว้เถิดกระหม่อมฉันจะอาราธนาพระหันทั้งหลายมาพระราชาทรงสดับแล้วก็พอพระไทย สั่งให้ะเตรียมวัตถุทานต่างๆที่จะถวายไว้ที่ประตูทิศตะวันออกในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาฉลาดมากนะพระราชาเทวีทรงอธิษฐานองค์อุโบสถนะไม่ใช่อยู่เฉยๆเราจะไปเที่ยวไปหาพระหารต้องอธิษฐานอุโบสถซะก่อนเราทั้งหลายเนี่ยควรรักษาอุโบสถนะอธิษฐานเองไม่ต้องไปหาพระหรอกข้าพเจ้าก่อนจะอธิษฐานก็บ้ว น, นปากซะก่อนข้าพเจ้า ขอสมาทานอุโบสถทศรีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วแล้วก็รักษาอย่าให้ขาดอุโบสถทศรีลเราก็พอจะรู้นะ อ, อุโบสถอธิษฐานตั้งแต่เวลาลุล่งเช้าแล้วทรงหมอบลงหันพระพักไปทางทิศตะวันออกนะักเบื้องบนปราสาทแล้วตัดว่าถ้าพระหันทั้งหลายมีอยู่ในทิศนี้พรุ่งนี้เช้าขอให้มารับ อาหารของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดประกาศไปดังๆนะอธิษฐานด้วยความศรัทธาด้วยบุญที่ตนเองทำถ้ามีนะขอให้มาแต่ในทิศนั้นไม่มีพระหารพวกราชบุตจึงนำวัตถุทานที่จะไหวที่จะถวายพระไปให้แก่คนกําพรายาจกทั้งหลายเสียก็เอาละในทิศนี้ไม่มีไม่มีผู้มีศีล ที่สมควรรับก็ให้กับคนยากจนก็นแล้วกันให้แก่คนที่มีบุญน้อยวันรุ่งขึ้นพระราชาก็ทรงสั่งให้จะเตรียมทยทานไว้อีกแต่มาทางทิศใ ต, ต้ประตูทิศใ ต, ต้แล้วก็ทิศตะวันตกจนกระทั่ง